ข้าพเจ้าพระมาหาภัยบุญอภิปุโนโมาพบกับท่านบุฟังเพื่อที่จะให้ท่านฟังได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับคําสอนของพระพุทธเจ้าทราบไปแล้วรู้ไปแล้วปฏิบัติให้ได้เพื่อความเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติได้เพื่อความเป็นอย่างนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะเย็นเย็นเข้าไปถึงใจนู่นน่ะความดับเย็นนี่แหละ ภาษาที่พระเจ้าใช้คืว่านิพพานนิพพานแปลว่าเย็ น, นยเย็นอยู่ในใจใจของใครใจของผู้ปฏิบัตินั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราทำได้ทำจริงทำเป็นทำถูกมันจะเย็นอยู่ข้างไหนแต่ถ้าทำไม่ถูกทำไม่ได้ทำไม่เป็นทาไม่จริงมันไม่เย็นในทะัณหฟังมันไม่เย็นเพราะฉะนั้นจึงจะต้องมาคอยพูดซ้าย้าให้เกิดความเข้าใจว่า ไอ้ที่ทําถูกทําได้ทําจริงทําเป็นเนี่ยแล้วมันจะเย็นมันทํำยังไงไอ้การกระทําตรงที่ว่าจะทํำยังไงยังไงได้เนี่ยมันก็มีเทคนิควิธีปริญญาก็ได้ตราถึงเรื่องระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยตั้งแต่เริ่มเริ่มแรกแรกอ้าวก็พูดถึงเรื่องของศีลศีลเสร็จแล้วไงล่ะเราก็มีการสมรุมอินทรีย์มีการรูปประมาณในการบริโภค มีการที่รู้จักมีเสฝึกสติสัมปชัญญะก็จะทําให้มีสมาธิเกิดขึ้นมีสมาธิแล้วเห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงก็จะปล่อยวางได้นต่ง่ายๆคร่าวๆเนี่ยเป็นอย่างนี้ขั้นตอนก็จะเป็นอย่างนี้เีรีสมาธิปัญญาไล่ไปเพราะในการที่เราทําเราฟังเราปฏิบัติธรรมะในบางทีมันก็อาจจะมีข้อที่เราผิดพลาดนะผิดพลาดหมายความว่าทําไม่ได้ทําไม่ถูกทําไม่เป็นทําไม่จริงแล้ก็จะทําให้ เป๋เฉ๋ๆฉายๆไปบ้างเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงเป็นเรื่องจําเป็นสําคัญเพื่อที่จะให้เราปรับเราจูนเราทําความเข้าใจปรับแต่งตรงนั้นตรงนี้ในการทาความสดใสแจ่มใสเรื่องราวของธรรมะให้เกิดขึ้นได้และมีข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ปพบการตั้งบูฟังอยู่เป็นประจำทุกวันซึ่งทําให้มีรูปแบบของช่วงที่เรียกว่าเป็นปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษแต่แม้ ว, ว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะเอา เนื้อหาธรรมะที่พระเจ้าได้บอกไว้ประกาศไว้มาพูดในลักษณะที่จะทําให้สิ่งนั้น่ไม่เป็นงูพิษมาเตือนกันคอยบอกกันว่าความเมาความมึนที่จะเกิดขึ้นในธรรมะเนี่ยมันจะมีได้เราจะทําอย่างไรไม่ให้เมาไม่ให้มึนให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็สามารถทําได้อย่างดีทําได้อย่างถูกต้องตามความหมายตามจุดประสงค์ที่พระเจ้าได้อธิบายธรรมะในเรื่องนี้นี้เอาไว้ วันนี้ในเรื่องของปริยัติที่ไม่เป็นงมพิสก็จะพูดถึงเรื่องของหนึ่งในอริยสัจสีเนี่ยเรื่องที่สำคัญมากเป็นเรื่องที่พระเจ้าบอกพูดบ่อยที่สุดสอนที่สุดในซีมาปีสอนเรื่องนี้นั่นคือเรื่องของความทุกข์ทุกเนี่ยนะสอนบ่อยที่สุดถูกต้องจำฝังแต่สิ่งที่พระเจ้าบอกสอนบ่อยมากที่สุดคือเรื่องของความทุกข์ความทุกข์ที่เราเจอเจอพบพ บ, พบกันอยู่เป็นประจำทุกวันนี่แหละ ตื่นเช้ามาไปห้องน้ําเขาก็เรียกว่าถ่ายทุกถ่ายทุกเสร็จแล้วไอสถานที่ถ่ายทุกเขาก็เรียกว่าสุขานี่นก็เป็นทุกแบบหนึ่งนี่คือทุกแบบหนึ่งนะจริงๆทุกที่พระเจ้าได้บอกเอาไวนะ้มีอยู่หลายอย่างแต่ทั้งหมด11บเอ็ดอย่างถ้าจะแยกแจกแจงย่อดลงมาก็เจอย่างก็มีหรือถ้าจะพูดรวบยอดเป็นอย่างเดียวก็มีแต่จึงจะมาทําความเข้าใจก่อนว่าขอบเขตของสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ย มันคืออะไรขนะอบเขตก่อนแตนะ่ว่าเราจะนับว่าสิ่งนี้เป็นความทุกข์รวมอยู่ในความทุกข์ด้วยเนี่ยขอบเขตก็มันคือขอบเขตตรงนี้แตนะ่มีเกณฑ์ที่บูชาใช้วัดเรียกว่าทุกขลักษณนะแต่ลักษณะขอ ง, วข ง, งความทุกข์คือถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีลักษณะอย่างนี้เราจะเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นความทุกข์ทันทีอะไรบ้างที่มีลักษณะเป็นอย่างนี้อย่างนี้แตนะ่มีอยู่3อย่างลักษณะของความทุกข์คือ1เป็นความทุกข์เพราะมีลักษณะตนได้ยาก อะไรที่มีลักษณะทนได้ยากอันนั้นจะเป็นความทุกข์ทันทีเนะืน่องจากยากนี้ก็จะมีอยู่2องในยะด้วยกันนั่นก็หมายว่าเราไปทนมันเนี่ยทนได้ยากเช่นความเจ็บนะความร้อนความหิวความกระหายในพวกนี้เราไปทนมันเนี่ย ม, มันยากแล้วนะมันกจ็จะเจ็บแสบคัดเคลืองเป็นความทุกข์อย่างนั้นไปหิวข้าวแม้ต้องทนมันทนยากหิวน้ำปนะวดอุจจาระปัสสาวะต้องทนมันทนยากเพงนั้นเขาจึงบอกว่าข้าวน้าก็เป็นทุกข์อย่างหน่นนี้ใช่เลย เพราะว่ามันถูกกับลักษณะข้อที่1ในในยักษ์ข้อที่1นึ่ในยะที่2ก็มีว่าตัวมันเองทนอยู่ในสภาวะที่มันเป็นเนี่ยได้ยากแต่ก็ว่าตัวมันเองทนอยู่ในสภาวะที่มันอยู่เองได้ยากเนี่ยคือมันจะต้องเปลี่ยนสภาพของมันเราดูอย่างเช่นเมฆฝนอย่างนี้เป็นต้นเมฆฝนมันจะไปทนอยู่ด้วยความเป็นเมฆอย่างเดียวเนีย่ยมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นเม็ดฝนลงมาเปลี่ยนเป็นน้ําฝนลงมา น้ำฝนแต่ถ้ามันอยู่สภาพของมันเองมันก็ทนอยู่ได้ยากมันก็จะต้องระเหยเปลี่ยนเป็นก๊สเปลี่ยนเป็นไอน้ําหรือว่าถ้าเราเอามันมาแช่ตู้เย็นแต่มันก็ทนอยู่ในสภาพที่มันเป็นของเหลวไม่ได้ล่ะมันก็จะต้องเปลี่ยนเป็นของแข็งเอาเอาของแข็งน้ําแข็งออกมาวางข้างนอกแต่มันก็จะทนอยู่ในสภาพที่มันเป็นของแข็งอยู่ไม่ได้สักพักหนึ่งมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นน้ําเป็นของเหลวเาเราตั้งเอาไว้ไม่เอาไปไหนนโดนแดดโดนลม ไอ้น้ำนั้นก็ทนอยู่ไม่ได้มันก็จะต้องเปลี่ยนเป็นกา๊าซขึ้นมาเป็นไอน้ําขึ้นมาลักษณะแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นลักษณะที่ทนได้ยากเหมือนกันในในยะที่2คุณสมบัติที่2ของทุกขลักษณะแล้วก็มีลักษณะการปรุงแต่งตัวมันเองแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นไปพร้อมๆกันในตัวแต่ปรุงแต่งตัวมันเองก็อย่างที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมจากของแข็งเป็นของเหลวของเหลวเป็นกา๊กาซก๊าซกลับมาเป็นของเหลวเปลี่ยนไปอย่างนี้ แต่ตัวมัเองปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงตัวมันเองแล้วก็ยังปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงสิ่งอื่นเอาอย่างน้ําอย่างนี้แต่ถ้าเป็นช่วงที่ฤดูฝนฝนตกลงมามันก็ทําข้าวให้โตได้ต้นไม้โตได้แต่เปลี่ยนแปลงสิ่งอื่นไปด้วยแต่ต้นไม้ก็โตได้โตดีแต่ถ้าไม่มีน้ําต้นไม้ก็เหี่ยวเฉาไม่เขียวเป็นสีเหลืองเอ้ยตัวมันเองเปลี่ยนด้วยมันก็เปลี่ยนสิ่งอื่นไปด้วยแในลักษณะเป็นอย่างนี้นี่คือข้อที่สอง แล้วที่3ก็คือเป็นทุกข์เพราะมีลักษณะแห่งความแปรปรวนเป็นไปต่างๆแต่ความแปรปรวนเป็นไปต่างๆก็อย่างที่ว่าพูดง่ายๆก็คือมันไม่เที่ยงนั่นแหะอะไรที่มันไม่เที่ยงเนี่ยสิ่งนั้นมีลักษณะความเป็นทุกข์อะไรก็ตามที่ไม่เที่ยงนะงฟังเปลี่ยนแปลงได้แม้แต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นหินแตแหมดูมันมั่นคงมีความแข็งแรงแต่ถ้ามันแตกได้นะก็เอาเพชรไปสกัด มันก็เปลี่ยนแปลงได้มีความไม่เที่ยงมีลักษณะเป็นทุกข์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นไอ้ลักษณะที่เป็นทุกข์นะมีอยู่3มอย่างก็เรียกวทุกขลักษณะอะไรบ้างที่จะจัดเข้าลักษณะแบบนี้โอ้ชี้มือไปทางไหนมันก็เป็นเหมนะือนนั้นทั้งว่างแต่ท้องฟ้าก็มีเมฆเมฆ ก, ก็เป็นอย่างนี้ไหมสามอย่างนี้ไหมโอ้ใช่แต่ชี้ไปคนข้างๆเราเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคนเรามันเปลี่ยนแปลงไดนะ้จากแก่ก็ไปแก่ง่อมจากหนุม่มก็มาเป็นวัยรุ่น วัยรุ่นก็เป็นแก่แต่มันก็เปลี่ยนแปลงไปแต่เพราะนั้นมันมีหมดพระเช้าก็เคยแยกแยะเอาไว้เนระีนถึงว่ า, าลักษณะของความทุกข์สาอย่างนี้แนะยกแยะเอาไว้ว่ามันมีอะไรบ้างนะที่อยู่ในหมวดของอริยสัจสที่เราจะพูดกันในวันนี้ก่อนที่ได้เคยอธิบายไว้ว่าความทุกข์เนี่ยมีทั้งหมดเจ็ดอย่างด้วยกันอย่านะแรกคือความเกิดเป็นความทุกข์แนละ้เกิดเป็นทุกข์สแก่เป็นทุกข์สาตายก็เป็นทุกข์ สีนั่นคือความโศกความรำมลัำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจความขับเคลนใจพวกนี้ก็เป็นความทุกข์นี่คือข้อที่4ข้อที่5ก็คือการละคนด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ข้อที่6การพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักนั่นก็เป็นทุกข์ข้อที่เคือปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้ส่งนั้นสมหวังอันนี้ก็เป็นทุกข์ในใจข้อนี้ถ้าเราจะพูดรวบกันแต่นะว่าทั้งหมดนี้คืออะไรนักบุญเจ้าก็าอบอกว่าก็ขันห้านั่นแหละเป็นตัวทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะแยก เป็นเจ็ดอย่างนั่นก็อย่างที่ว่าตั้งแต่ความเกิดแก่ตายความโศกความระคนด้วยสิ่งที่ไม่ชอบความรัดพากจากสิ่งที่ชอบแล้วก็ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังอันนี้7อย่างนะถ้ายุพูดย่อลงไปหรืออย่างเดียวก็เป็นขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้แยกแยๆออ ก, า ก, ากมาเอ่อบางครูบาอาจารย์บางท่านท่านก็จะแยกไปในรายละเอียดนะว่าอย่างข้อที่4ีเนี่ยความโศกก็แยกมาข้อนึงความรับรัยยำพันก็แยกไปอีกข้อนึง ความทุกข์กายก็ส่วนหนึ่งความทุกข์ใจก็ส่วนหนึ่งและความคับแคนใจก็อีกอันหนึ่งถ้าแยกตรงนี้มันก็จะเป็น11อย่าง11อย่างรูปยอดเป็นอย่างเดียวนั่นคือขันตังห้าเราไปทําความเข้าใจทีละอย่างทุกฝั่ ง, งนั่นแปลว่าเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจถ้าเราเข้าใจความทุกข์แล้วทุกฝั่งเราจะเข้าใจอริยสัจสี่ได้เราเข้าใจอริยสัจสีได้เราจะพ้นจากทุกได้เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญพระเจ้าสอนบ่อยมากเรื่อง ข, ของความทุกข์ว่าความทุกข์ที่มันมีเจอย่างเนี่ยม ความเกิดความเกิดเป็นยังไงก็ออกจากคันแม่เลยนะเกิดโผล่ออกมาเกิดแล้วการก้าวลงสู่คันสัตว์อะไรที่มาจุติในท้องมีอะไรมาจุติในท้องแล้วก็คลอดออกมาอันนี้คือการเกิดการเกิดบางทีก็ผุดขึ้นมาเกิดอย่างเทวดาเขาก็ผุดขึ้นมาเกิดก็มีหรือว่าพวกที่เกิดโดยไม่ใช่คันเกิดในไข่อย่างนี้ก็เรียกการเกิดเหมือนกันการเกิดนี่ยังรวมถึงการที่จิตของเราเนี่ยไปก้าลงในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง หน่งก้าวลงในอารมณ์ใดอารมณ์หนึง่งเนีก็เรียกว่าเป็นการเกิดเหมือนกั น, นกเกิดเป็นสภาวะนี้ขึ้นมาอย่างคนอย่างเงี้ยตอนแรกๆเป็นวัยรุ่นเอพอวัยผ่านไปสัหน่อยเน่ยเปลี่ยนสภาวะจากเป็นคนหนุ่มก็เป็นคนแก่ในสภาวะที่เราได้ความเป็นคนแก่ก็คือเกิดในความแก่ตรงนั้นน่ยสภาวะมันเปลี่ยนแปลงไปเขาเรียกว่าการมาเกิดโดยยิ่งน่ยก็คือหมายถึงเป็นสภาวะสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแต่จิตใจเราเข้าไปอยู่ในสภาวะนั้น หรือความที่เราเป็นสภาวะนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเกิดเหมือนกันแต่อย่างคนที่เปลี่ยนจากเด็กใช่ไหมฮอร์โมนร่างกายอะไรต่างๆมันเปลี่ยนแปลงมาเป็นวัยรุ่นเป็นวัยเจริญพันธุ์อันนี้เขาก็พูดถึงลักษณะว่าเป็นการเกิดแบบหนึ่งขึ้นมาเป็นอีกภพหนึ่งเป็นสภาวะหนึ่งขึ้นมาอันนี้ก็คือการเกิดแต่การแก่เป็นยังไงท่านฝั่งอันนี้คิดว่าหลายๆท่านจะทราบแต่ความแก่ความคลำคล่าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยว ความที่อายุมันสิ้นไปสิ้นไปก็เรียกว่าแก่ทั้งสิ้นหลจากอายุ5้าขวบเป็นอายุ6กขวบอายุสิ้นลงไป1นปีนะไม่รู้อายุเท่าไหร่ละสมมติอายุสักเก้าสิบปีอ่ะคนอายุเก้าสิบปีถ้าคนนี้เด็กคนนี้จะมีอายุ90ปีเขาอายุจาก5ปีเป็น6ปีะอายุก็สิ้นลงไปปีหนึงอย่างงี้เรียกว่าแก่แล้วเพราะฉะนั้นความแก่เนี่ยมันปรากฏอยู่ตลอดแม้ว่าเราจะมีความหนุ่มแต่มันก็มีความแก่ซ่อนอยู่ เพระนิยามที่พระเจ้าให้ไว้เนี่ยคือความสิ้นไปสิ้นไปแห่งอายุหรือว่าความที่แก่รอบแห่งอินทรีย์ต่างๆอันนี้เช่นว่าเด็กที่อยู่ในครันนะเขาก็บอกว่าครันแก่แล้วถึงคลอดออกมาแต่ความแก่มันก็ปรากฏอยู่ในในสิ่งนั้นๆ น, น, นี่คือลักษณะของความแก่แต่ซึ่งปรากฏมีอยู่อย่างที่3เราพูดในที่นี้คือเรื่องของความตายความตายในที่นี้ที่เราเข้าใจกันในส่วนใหญ่ก็คือแบบร่างกายที่แตกดับตายไปแต่ไม่มีลมหายใจสภาวะอย่างนั้น อันนี้คือลักษณะความที่ขันเนี่ยมันทรงกันอยู่ไม่ได้อย่างหมอเขารักษาคุณใช่ไหมเขาพยายามจะให้ยาเพิ่มความดันให้ยานั้นยานี้ในกระตุ้นลมหายใจใช้ CPR ชอตต็อตเข้ไปที่หัวใจให้หัวใจมันเต้นแต่ว่าไม่เต้นแล้วเนื่อเพราะกายมันมันเชื่อมมันต่อกันอยู่ไม่ได้ในความที่ขันร่างกายเนี่ยมันไม่ทํางานอันนี้ก็เรการแตกแห่งขันหรือว่าการที่ เ, เคลื่อนก็นได้ในสภาวะจิตที่เคลื่อนที่ออกจาก สภาวะใดสภาวะหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าความตายก็ได้อย่างเช่นว่าคนที่เป็นเด็กอย่างนี้คนที่เป็นเด็กนะยังไม่ถึงวัยเจริญพันธุโฮโน์ฮ o r m o n e ต่างๆยังไม่มีอา้าวคุณเปลี่ยนแปลงร่างกายเปลี่ยนแปลงมีการเจริญพันธุ์ขึ้นมาเข้าสู่วัยรุ่นวัยหนุ่มสาวแต่การที่เข้าสู่วัยรุ่นวัยหนุ่มสาวนั้นก็คือไปเกิดใหม่แต่เป็นสภาวะใหม่สภาวะหนึ่งขึ้นมาในขณะที่ความเป็นเด็กนั้นก็ตายจากตรงนั้นไปแล้วแต่ตัวนี้ก็เรียกว่าการจุดตินั่นเอง การจุดติก็คือการเคลื่อนออกจากสภาวะนั้นอย่างพวกเทวดาอย่างเงี้ยเวลาตายเนี่ยเขาไม่ได้ว่าตายนะเวลาตายของพวกเทวดาเนี่ยเขาจะเรียกว่าจุดติ่แต่คือถ้าตายอย่างของมนุษย์เนี่ยมีการทิ้งร่างกายทิ้งขันเอาไว้แต่ไหนก็คือจิตใจมันก็ถ้ามีเชือ่อมันก็ไปเกิดใหม่ถ้ามันไม่มีเชือ่อก็มันก็ไม่มีการเกิดแล้วมันไม่มีเชือ่อใช่ไหมแต่ว่าร่างกายนี้ขันนี้ก็ต้องทิ้งซากเอาไว้ในการทิ้งซากไว้นี่ก็เรียกว่าตายเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเทวดา เขาเรียกว่าจุดตินะเนื่องจามันไม่มีซากทิ้งเอาไว้ในะกรณีของอย่างเช่นเราเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กเป็นวัยหนุ่มสาวซนะากของความเป็นเด็กเนี่ยมันไม่มีนะมันเปลี่ยนสภาพหมดเลยกลายเป็นวัยหนุ่มสาวไปลักษณะ น, น, นี้ก็เป็นการตายเหมือนกันนะเราเรียกว่าจุดตินะเปลี่ยนแปลงจากจุดนี้ไปเป็นอีกจุดหนึ่งนะข้อที่สี่การพระเจ้าจะอธิบายรวมเลยก็นะคือเอาความโศกความร่ํารํรมพันธ์ ความทุกข์กายความทุกข์ใจความครับแค้นใจเนี่ยอธิบายไปพร้อมกันแต่ความโศกความร่ำรำพันนั่นคือสภาวะที่เราคร่ําครวญเราเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจสิ่งที่ทนได้ยากมันก็มีความโศกความร่ำรำพันน่ะเกิดขึ้นไม่พอใจความที่เศร้าใจความคร่าครวญพวกนี้นั่นคือการกระทบทางใจแหละว่างั้นเป็นความทุกข์ใจอยู่ในข้าในใจแต่ความทุกข์กายก็มีนั่นคือทนได้ยากที่เกิดขึ้นทางกาย นะกายเราก็มีใจเราก็มีในะมีการกระทบอะไรมันก็คลำครวนได้ในะลักษณะของการตรอมใจตรอมกายในะความครับแค้นใจตรงนี้เนะี่ยเป็นอันเดียวกันเป็นสภาวะเดียวกันที่ถ้าเราเจอสิ่งที่เราไม่ชอบใจสิ่งที่มันน่าครับแค้นใจสิ่งที่มันเป็นทุกข์เราต้องไปเจอแล้วต้องไปพบในะพวกนี้เป็นลักษณะของความครับแค้นใจอันถัดมาข้อที่5 นั่นคือการระคนด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักแต่การระคุนด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักเนี่ยต่างกับความโศกความร่ำรำพันธ์ตรงที่ว่าการระคนด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักเน้นเฉพาะเจาะจงในเรื่องของกามเฉพาะเจาะจงในเรื่องของตาหูจมูกลิ้นและกายแต่ถ้ามันมาทางตาหูจมูกลิ้นและกายเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความที่ระคนด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักอาจจะเจอศัตรูเจอคนที่เราไม่ชอบเจอคนที่เขาไม่ได้หวังดีกับเราหรือว่าตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นไปในทางตาหูจมูกลิ้นกายที่ เราไม่น่าพอใจนั่คือข้อที่5การเราคนด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นความทุกข์ส่วนข้อที่4นั้นก็เป็นเรื่องทัวๆไปนนคือหมายความว่าความโศกความรำไรลำพันธ์ที่เกิดจากการกระทบทางใจก็ได้ทางกายก็ได้นั่นคือนั่นคือข้อที่4ส่วนข้อที่5นี้จะแตกต่างเฉพาะเจาะจงมาในเรื่องของสิ่งที่เป็นทางตาทางหูจมูกลิ้นและกายคือส่วนที่เป็นกายวัตถุแล้วก็กิเลสกรรมข้อที่6นั้นก็ตรงกันข้ามกันนั่นคือตรงกันข้ามในการที่เราเกิดความพลัดพราก แต่ถ้าเราเจอสิ่งที่เราไม่ชอบใจและก็ <realms. S 1> ไม่ดีป of ลัดพรากจากสิ่งที่ชอบใจแม้มันก็เป็นทุกข์อันนี้ใช่เลยในการที่เราจะต้องปัดพลากจากคนที่เรารักเป็นต้นปลัดพลากจากสิ่งที่เรารักเป็นต้นปลัดพราดจากสถานการณ์ที่เราชอบใจพอใจแตที่เป็นไปในทางตาทางหูพวกนี้ก็เรียกว่าการพลัดพลากจากสิ่งที่รักและนี่ก็จะเป็นทุกข์ความปลัดพลาดที่เกิดขึ้นนี้มีในทุกรูปแบบะหมายความว่าอาจจะเป็นบุคคลก็ได้ อาจจะเป็นสิ่งของก็ได้เนือที่มาทางตาทางหูพวกนี้เกิดขึ้นได้นี่คือข้อที่6ส่วนข้อที่7นั้นเราเรียกว่าการปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังแตการปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังเนี่ยมันจะแตกต่างกับการระคนด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักตรงที่ว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังนี้เป็นเรื่องของสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยกามแต่เป็นสภาวะในสภาวะหนึ่ง <S <S พระเจ้าให้คําอธิบายตรงนี้จำฝัง เนี่ยบอกว่าอย่างเช่นคนที่ต้องการความหนุ่มแต่ว่าก็ปรารถนาว่าจะขอให้หนุ่มให้สาวอยู่ตลอดแต่ว่าการปรารถนานั้นเนี่ยมันจะไม่ได้สมหวังด้วยแค่ปรารถนาเอาขอเอาอ้อนวอนเอานึกเอามันจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันก็ได้สิ่งที่ปรารถนาไม่ได้สิตรงนี้จึงเป็นความทุกข์ในข้อที่7แต่วันจะแตกต่างกับเรื่องของกามอยู่นิดนึงตรงที่ว่าความเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่ง ก็คือถ้าเราพูดถึงเหตุของความทุกข์เนี่ยผู้เรียนก็จะแบ่งไว้เรื่องการใช่ไหมอา่าก็เรียกวาการว่าตัญหาส่วนที่2อเนี่ยภาวะตัญหาอย่างตรงนี้มันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าเราระคนด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักเนีย่ยจะเป็นลักษณะของการตางหูจมูกลิ้นกายและเราปรารถนาแล้วไม่ได้สมหวังนั่นเป็นลักษณะของสภาวะใดสภาวะหนึ่งแต่ซึ่งแน่นอนหลายบางทีมันก็รับรู้ทางตาทางหูแต่ว่าความชัดเจนในเรื่องของการก็จะไปลักษณะในข้อที่หและข้อที่6ส่วนเรื่องของการปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนนัั้สมหวง จะเป็นสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งใจเป็นสภาวะหนึ่งที่เป็นภวะตัณหาตัวนี้ก็เป็นลักษณะที่ว่าปรารถนาแล้วไม่ได้สมหวังเช่นปรารถนาความไม่ตายความปรารถนาความเป็นอมะตะแต่ว่าปรารถนาเฉยๆแล้วไม่ทําอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้หรือปรารถนาความไม่มีโรคแล้วก็ปรารถนาเฉยๆอ้อนวอนเฉยๆอ้อนวอนเฉยๆมันจะไม่ได้ได้ไงในธรรมวินัยนี้นั่นไม่ใช่เรื่องที่จะมาเป็นเป็นเหตุเป็นผลที่พระเจ้าสอนในลักษณะนั้นก็จะไม่ได้ ใ น, ในใจข้อนี้ถ้าเราจะรวมรวบยอดแต่ที่บายเป็นคําคําเดียวพระเจ้าก็พูดถึงเรื่องคือขันห่าขันแปลว่ากล่องจำวังนขะันแปลว่ากล่องถ้าเราแบ่งอะไรสิ่งต่างๆที่มันเหมือนๆกันคล้ายๆกันนะมารวมๆกันเป็นกล่องเหมือนกันก็รวมไว้กลองหนึ่งแล้วก็คือกลองรูปะที่เป็นธาตุสีดน้ําไผลมกองเวทนากองสัญญากองสังขารแล้วก็กองวิญญาณมีอยู่ได้5กล่องในเรื่องของกัรหน5เราก็ได้เคย พูดกันแล้วในราการอยู่บ้างในเรื่องของการทั้ง5นี่คือการแบ่งในลักษณะที่จะอธิบายหมวดหมูทธรรมะแต่ถ้าเราแบ่งในรูปลักษณะของการที่ความทุกข์มันจะเกิดขึ้นกับเราแล้วก็แบ่งเจอย่างน ต, ตั้งแต่มีความเกิดความแก่ความตายนี่คือลักษณะของความทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นกับเราช่องทางที่มันจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าแบ่งตามกองตามหมวดหมู่ที่คล้ายๆกันนั่นก็คือเรื่องของขันทั้งหาเพราะฉะนั้นมีการแบ่งอยู่2ระบบตรงนี้แต่ทั้งหมดรวมกันเรียกว่าเป็นความทุกข์ อย่างเช่นในความเกิดอย่างเงี้ยมีรูปไหมมีนะเอาถ้าผู้ว่าเด็กออกจากคันแม่ก็มีเรื่องของรูปนั่นคือถ้าสีดีนาไฟลมมีเวทนาไหมก็มีนะมีเวทนาที่เป็นสุขก็มีแม่ดีใจมีเวทนาที่เป็นทุกข์ก็มีลูกทําไมร้องไห้เจ็บร่างกายจากการคลอดอันนี้ก็มีเวทนามีสัญญาไหมหมายรู้ไหมหมายรู้ว่านี่เป็นผู้ชายนี่เป็นผู้หญิงหมายรู้ว่าเขาชื่ออะไรแต่มีสังการการปรุงแต่งแน่นอนมีวิญญาณเข้าไปรับรู้เพราะฉะนั้นแม้แต่ในการเกิดอันเดียวเนี่ย มันก็มีขันทั้งห้าอยู่ในนี้นาการแก่ก็เหมือนกันการตายก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นการแบ่งก็จะมี2ระบบหนึ่งคือแบ่งตามลักษณะความทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นกับเราแล้วก็เกิดแก่เจ็บตายความโศกความร้าวในลำพันธ์พวกนี้แบ่งตามลักษณะของหมวดธรรมะเพื่อให้เข้าใจความที่จิ้มนไปก้าวลงแล้วก็แบ่งตามขันทั้ง5้าอย่างนี้ที่พูดมาให้ทานฟังฟังทั้งหมด7อย่างความทุกข์เอย่างเนี่ยเพื่อที่จะให้เข้าใจจำฝังทําไมต้องเข้าใจ เพราะว่าทุกเป็นสิ่งที่ควรทําความเข้าใจพระพุจ้าใช้คําว่ากําหนดรู้หลการกําหนดรู้การตทำความเข้าใจเรื่องความทุกข์เนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าบางคนยึดความทุกข์เนี่ยให้ละแต่เข้าใจผิดสิ่งที่ต้องละไม่ใช่ความทุกข์โอ้ยเราต้องอละความทุกข์เราต้องหนีทุกข์เดี๋ยวเดเข้าเข้าใจให้ถูกนิดหนึ่งแตคุณจะหนีทุกข์ได้ต้องเข้าใจความทุกข์คุณจะหนีทุกข์ได้ต้องละตัณหาฟังอีกครั้งหนึ่งนะ หนีนี่ไม่ใช่หมายถึงให้ละนะแต่หนีเนี่ยให้เข้าใจดังนี้นี่คือให้เผชิญหน้ากับมันทําความเข้าใจในเรื่องความทุกข์เพราะว่าทําความเข้าใจในเรื่องความทุกข์แล้วคุณจะหนีทุกได้หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราเข้าใจในความทุกข์ในแง่มุมต่างๆ5แง่มุมนี้แในที่จะพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องสําคัญนะว่าถ้าเราเข้าใจใน5้าแง่มุมนี้แล้วแต่คุณจะละไอ้เจ้าตันหาได้คุณจะเข้าใจความทุกข์ได้แล้วคุณจะพ้นจากความทุกข์ได้ คือมันมีขั้นตอนอยู่ทตามฝั่งแตนะ่ไม่ใช่ AR อะไร AR อาร์ะไรก็ไม่รู้ไม่สนใจปล่อยวางในะ AR ร์อะไรก็ปล่อยวา่าอันนี้คือแบบไม่สนใจหรือเปล่านี่เราต้องพิจารณาดูให้ดีเพราะว่าถ้าด่วนปล่อยวางเร็วเกินไปนะอาจจะไม่ได้ทําความเข้าใจนะอาจจะเป็นการหนีปัญหานะอาจจะเป็นการที่ไม่แยแสไม่สนใจนะแตนะ่ปัญหาใหม่อาจจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราทําความเข้าใจในเรื่องความทุกข์อย่างถูกวิธีแต่นะว่าตัวความทุกข์ที่เราพูดถึงอยู่เนี่ยมันคืออะไรนะเข้าใจมันทําความเข้าใจ ความรู้อย่างทั่วถึงให้จำแจ้งนั่นคือว่าทุกข์ก็มีความเกิดก็มีนะความแก่ก็มีเป็นทุกข์ความตายพวกนี้ขันห้าเป็นตัวทุกข์อ่ะเข้าใจละนี่คือข้อที่1นึแตนะ่ว่าตัวมันเป็นยังไงนะลักษณะของตัวมันการให้ผลการแบ่งเป็นหมวดหมูนะ่การให้ผลก็เป็นเจนลักษณะการแบ่งหมวดหมู่ก็เป็นกันทั้ง5้าอย่างนี้นะสองเหตุเกิดของมันคืออะไรอันนี้ต้องเข้าใจเห้ยทุกข์มันจะมีเกิดขึ้นมนาะมันต้องมีเหตุหนนะ่าเหตุเกิดของมันก็คือตัณหาเนี่ยเอง แต่ตัณหาเป็นเหตุเกิดของความทุกข์แต่ตัณหาคือความอยากและมีตัณหาที่ไหนมีความทุกข์เกิดขึ้นทันทีแน่นอนที่นัน่นแต่ไม่ไปติดอะไรสิ่งนั้นเป็นความทุกข์ทันทีแต่ถ้าไม่มีตัณหาสิ่งนั้นจะไม่เป็นความทุกข์กับเรานั่นคือถ้าเราไม่มีตัณหาเนี่ยเรามองเห็นสิ่งไหนได้ยินสิ่งอะไรแต่สิ่งนั้นมันจะไม่มาติดเป็นความทุกข์กับเรานั่นคือ ส, สิ่งอื่นเนี่ยข้างนอกเนี่ยนะไม่ว่าจะเปนก็ตามมันเป็นความทุกข์กับมันอยู่แล้วเเดีีียพราะะมันลลลกษณท่่ปปแงไ้ แม่แต่ถ้าเราเอาสิ่งนั้นมาเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันก็จะเป็นความทุกข์ทันทีถามว่าอะไรล่ะที่ทําให้เรารู้สึกว่านั่นเป็นตัวเรานั่นเป็นของเราแต่ทําให้ความทุกข์มาเป็นของเราคือตัณหาเนี่แหละจำฝังตัณหามันจะทําให้เราเกิดความรู้สึกว่านั่นของเรานั่นของเรานั่นมันอะไรนั่นมันทุกข์เพราะทุกข์จึงเป็นตัวเราเอาซวยเลยไหนทีเหตุเกิดของเจ้าความทุกข์นั้นก็คือตัณหานี่เองนะเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งอเดิมเนี่ยมันก็เป็น สภาวะเป็นธรรมชาติของมันอยู่ตามปกติอยู่แล้วมีความเกิดมีความดับมีความเปลี่ยนแปลงไปถ้าเราไม่เอามาเป็นตัวของเรานะก็คือไม่เอาทุกข์นั้นมาเป็นของเราถ้าไม่เอาทุกข์นั้นเป็นของเรามันจะเกิดเป็นความทุกข์ได้ไงมันก็เป็นธรรมชาติธรรมดาของมันต่อไปดังนั้นเห็นเกิดของความทุกข์เนี่ยคือเจ้าตัณหาทีนี้จะความดับทุกข์ได้ยังไงล่ะก็อย่างที่ว่าว่าจะไม่ให้สิ่งนั้นมาเป็นทุกข์กับเราได้คือเราไม่มีตัณหาคือไม่ได้เอาสิ่งนั้นมาเป็นตัวเราของเรา ถ้าเราไม่เอาสิ่งนั้นมันเป็นตัวเราขเราไอ้สิ่งนั้นที่ว่าเราว่าเป็นทุกข์เนี่ยมันก็จะไม่เป็นทุกข์ของเรามันก็คือไม่เป็นทุกข์นัวเองแต่เพราะนั้นความดับไปของความทุกข์เนี่ยคือความดับของเจ้าตัณหานี่เองทีนี้นผลของความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นก็นคือถ้าใครสักค น, นคนหนึ่งมีความทุกข์ถูกต้องแล้วเจอความทุกข์อยู่ทุกวันนี่แหละตืินเช้ามาคนข้างๆก็ไม่รู้ทํำยังไงไปเดินทางบ้างลูกเต้าบ้างสังคมบ้านเรือนการเมืองเศรษฐกิจ ที่ทำงานอะไรต่างๆโอ้เป็นปัญหาหมดทุกอย่างแต่ทีนี้ผลของความทุกข์เนี่ยที่สําคัญว่ามันจะเกิดได้อยู่สองอย่างาผลของความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าบางคนเจอความทุกข์แล้วก็จะร่าไห้ร่ากรวนรูกบกชกตัวถึงความเป็นผู้มุ่งงคลั่งเพลอก็คือโดนทุกข์แทงเข้าไปเต็มๆกลางทรวงอกเจบเจ็ บ, จบปวดปวดทุกข์อยู่อย่างนั้นนี่คือผลอย่างที่1 ห, หรืออย่างที่2เราเลือกได้ แต่ว่าถ้าเราเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมีจิต ท, ที่ความทุกข์รบรัดแล้วก็จะสแสวงหาที่พึ่งภายนอกแต่ว่าใครนอ้อย่อมรู้วิธีเพื่อความดับไม่เหลือของทุกนี้สัก1 ห, หรือ2วิธีนี่คือข้อที่2เพราะอยู่ที่เราเลือกได้นะเราเลือกได้ว่าเราจะสแสวงหาที่พึ่งภายนอกหรือไม่หรือจะจมปลักอยู่ในกองทุกข์แตถ้าเราสแสวงหาที่พึ่งภายนอกว่าจะมีใครนอ้อี่จะรู้ทางออก นะความดับไม่เหลือของทุกนี้สัก1 ห, หรือ2วิธนะีคือการสว่วยหอภายนอกเนี่ยเป็นผลของความทุกได้แตนะ่คุณจะพ้นได้ซึ่งที่พึ่งภายนอกนั่นก็คือพระพุทธประธารมประสงค์ที่ทําให้เรานั้นพ้นจากความทุกได้แล้วองค์ประกอบเนะที่จะทําให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกแต่พนะระเจ้าได้พูดถึงเรื่องของอริยามรรคมีองค์แปดแต่มีข้อนึงที่ข้ามาเมื่อสักครู่นะั่นคือความเป็นแตกต่างกันของความทุกนั้นะว่าความทุกขที่มันลักษณะแตกต่างกันที่เราพูดถึง ว่าเป็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอย่างเงี้ยลักษณะประมาณการให้ผลของมันแล้ก็จะมีอยู่ด้วยนั่นคือทุกข์ที่มีประมาณยิ่งทุกข์ที่มีประมาณเล็กน้อยทุกข์ที่คลายช้าทุกข์ที่คลายเร็วก็มีอันนี้เรียกว่าความเป็นแตกต่างกันของความทุกข์เพราะฉะั้นแง่มุมที่ถ้าเราเข้าใจเรื่องของความทุกข์ในลักษณะเจอย่างเดีชื่อว่าเราเข้าใจความทุกข์มากๆเลยนะถ้าเราเข้าใจความทุกข์ขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณจะรู้ทันทีเลยว่า โอ้ทุกนี้มันไม่มีค่าเลยที่ต้องยึดถือเอาไว้แล้วเราจะละตัณหาได้คือเราจะละทุกได้ทั้งว่างเราต้องละตัณหานะเหมือนอย่างว่ามือเราเหนียวเหนียวไปติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่คุณจะเอามือแก่ออกได้เนี่ยก็ต้องทําให้กาวเนี่มันหมดสภาพนะไม่ใช่ไปทําลายสิ่งนั้นถ้าทําลายอะไรที่มันมือไปติดเนี่ยมือไปติดอย่างอื่นมันก็ติดอีกเพราะยังมีกาวอยู่แต่เราต้องทําลายกาวตรงนั้นนะซึ่งเราจะทําลายกาวตรงนี้คือตัณหาได้ ก็คือการที่เราปฏิบัติตามอริยามรรคเมียหลแปดเราทําตามมรรคแปดนะ่ะตัณหาละไปคลายไปความทุกข์นั้นมันก็จะละไปสิ่งนั้นมันก็จะเป็นไปตามสภาพตามธรรมชาติธรรมดาของมันอยู่แล้วเราก็จะไม่ยึดถือว่านั้นเป็นตัวเราของเราเราไม่ยึดถือว่าทุกข์นั้นเป็นของเราเราก็ไม่ทุกข์ซิถูกต้องแต่ว่าเวทนาต่างๆอาจจะมีอยู่แต่มันจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นความทุกข์ในใจเรามันก็จะเป็นไปตามสภาพของมัน เกิดไปตามเหตุตามปัจจัยของมันมีก็มีไปเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องตามราวแต่ว่าใจของเราก็ส่วนหนึ่งสิ่งนั้นที่มันมามันไปก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามการปรุงแต่งของมันก็ไปแต่แต่ว่าใจของเรานั้นไม่ไปตุกข์กับสิ่งนั้นเพราะเราไม่ยึดตือในสิ่งนั้นคนที่ไม่ยึดตือในสิ่งใดๆสิ่งนั้นก็จะไม่เป็นภัยจะไม่เป็นความทุกข์กับเราเพราะเราเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่จะพ้นจากความทุกข์ได้พ้นเนี่ยให้มันสมบูรณ์ให้มันบริบูรณ์ นันจะทําความดับทุกชนิดที่ว่าสนิทได้นั่นคือความว่าสนิทเนี่ยหมายถึงเราแก้ที่เหตุน่นคือถ้าจะไปดับตัวมันโดยเหตุไม่แก้เดี๋ยวเหตุมันหาเรื่องมันมาใส่ใหม่มันก็จะไม่สนิทเราดับให้มันสนิทด้วยการแก้ที่เหตุจะเป็นการดับทุกได้ดังนี้ข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอภิปุโนจาก ว, วัปดป่าต่อหนโศกก็ขอลาไปก่อนเจริญงพรอม